พุทธพจน์แสดงวิธีปฏิบัติเบื้องแรกปึ่งราพิธีปฏิบัติตามแนวพุทธพจน์ดังนี้ภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติจเจริญอย่างไรทำให้มากอย่างไรจึงจะมีผลมากมีอนิสง์มากภิกษุในธรรมวินัยนี้ประการแรกไปสู่ปาร ก, ก็ดี ไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีเรือนว่างแปลาจากสุญญาคารแต่วิสุทธิมรรคให้แปลว่าที่ว่างคือที่ว่างจากเรือนได้แก่เสนาสนะเจ็ดอย่างนอกจากตาและโคนไม้ประการที่สองนางคูบัลลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้า คือเท่ากับเอาสติมุ่งต่อกรรมฐานคือลมหายใจที่กำหนดประการที่สามเธอมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าอัตถกถาวินัยแปลาอสาสะว่าหายใจออกปาสาัสสะว่าหายใจเข้าส่วนอัตถกถาพระสูตรคือในวิสุทธิมรรค แลกลับกันอัสสาสะว่าหายใจเข้าปัสสาสะว่าหายใจออกในที่นี้แปลไปตามนิยมในเมืองไทยคือตามอัตถกถาวินัยท่านที่ชอบแนวพระสูตรพึงเปลี่ยนเข้าเป็นออกออกเป็นเข้าหมวดสี่ที่หนึ่งใช้บำเพ็ญกายานุปัสนาสติประทานได้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 สัมเนียกว่าจะเป็นผู้รู้ตลอดกายทั้งหมดหายใจออกสัมเนียกว่าจะเป็นผู้รู้ตลอดกายทั้งหมดหายใจเข้า4สัมเนียกว่าจะเป็นผู้ระงับกายยสังขารหายใจออกสัมเนียกว่าจะเป็นผู้ระงับกายยสังขารหายใจเข้า หมวดที่สี่ที่สองใช้บําเพ็ญเวทนานุปัสนาสติปทานได้ห้าสําเนียกว่าจะเป็นผู้รู้ชัดปีติหายใจออก 6. สําเนียกว่าจะเป็นผู้รู้ชัดปีติหายใจเข้าหกสําเนียกว่าจะเป็นผู้รู้ชัดซึ่งสุขหายใจออกสําเนียกว่า จะเป็นผู้รู้ชัดซึ่งสุขหายใจเข้าเสำเนียกว่าจะเป็นผู้รู้ชัดซึ่งจิตตัดสังขารหายใจออกสำเนียกว่าจะเป็นผ no ู้รู้ชัดซึ่งจิตตัดสังขารหายใจเข้าแปดสำเนียกว่าจะเป็นผู้ระงับจิตตัดสังขารหายใจออกสำเนียกว่า จะเป็นผู้ระ ง, งับจิตตัดสังขารหายใจเข้าหมวดที่สี่ที่สใช้บำเพ็ญจิตตานุปัสนาสติปทานได้ก้าวสำเนียกว่าจะเป็นผู้รู้ชัดซึ่งจิตหายใจออกสำเนียกว่าจะเป็นผู้รู้ชัดซึ่งจิตหายใจเข้า สสําเนียกว่าจักยังจิตให้บันเทิงหายใจออกสําเนียกว่าจักยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้า11สําเนียกว่าจักตั้งจิตมั่นหายใจออกสําเนียกว่าจักตั้งจิตมั่นหายใจเข้า12สอําเนียกว่าจักเปลืองจิต หายใจออกสำเนียกว่าจากเปลื้องจิตหายใจเข้าหมวดสี่ที่สี่ใจบำเพ็ญธรรมานุปัสนาสติปทานได้สิบสามสำเนียกว่าจากพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออกสำเนียกว่าจากพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้า สิบสัมเนียกว่าจากพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจออกสัมเนียกว่าจากพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้า15บหาสัมเนียกว่าจากพิจารณาเห็นความดับไปหายใจออกสัมเนียกว่าจากพิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้า สัมเนียกว่าจากพิจารณาเห็นความสลัดเสียได้หายใจออกสัมเนียกว่าจากพิจารณาเห็นความสลัดเสียได้หายใจเข้าอานาปานาสติครบกระบวนอย่างนี้อัตถกะทาเรียกว่าโสรสะวัตถุกะอานาปานาสติกรรมฐานหมายถึงอานาปานณสติกม ร, รมฐาน มีวัตถคุคือหัวข้อ16ยากกออกเป็นจตุกะคือหมวดสี่สี่หมวดดังได้แสดงแล้วปราดบางแห่งชี้ให้สังเกตความแตกต่างระหว่างอาณาปณาสาติกับวิธีฝึกหัดเกี่ยวกับลมหายใจของรักที่อื่นๆเช่นการบังคับควบคุมลมหายใจของโยคะที่เรียกว่าปราญมักเป็นต้นว่าเป็นคนละเรื่องกันทีเดียว โดยเฉพาะว่าอาณาปานาสติเป็นวิธีฝึกสติไม่ใช่ฝึกหายใจคืออาศัยลมหายใจเป็นเพียงอุปกรณ์สำหรับฝึกสติส่วนการฝึกบังคับลมหายใจนั้นบางอย่างรวมอยู่ในวิธีบำเพ็ญทุกขระกิริยาที่พระพุทธเจ้าเคยทรงบำเพ็ญและละเลิกมาแล้วในที่นี้จะชี้แจงประกอบโดยย่อ เฉพาะภายในขอบเขตที่เป็นสมถะของจตุกะแรกคือหมวดที่สี่ที่หนึ่งเท่านั้นมติของอัตถกถาคือวิสุทธิมักกล่าวว่าผู้เริ่มต้นพึงปฏิบัติได้เฉพาะจตุกะแรกคือหมวดที่สี่ที่หนึ่งนี้เท่านั้นส่วนจตุกะที่เหลือจากนี้ปฏิบัติได้ต่อเมื่อบรรลุษฌานแล้วอันหนึ่ง เฉพาะสามจตุกาต้นเท่านั้นใช้ได้ทั้งสมถะและวิปัสนาจตุกาสุดท้ายใช้ได้แต่สำหรับวิปัสนาอย่างเดียววิธีปฏิบัติภาคสมถะขั้นเตรียมการเกี่ยวกับสถานที่เริ่มต้นถ้าจะปฏิบัติอย่างจริงจัง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 พระอัตถกถาจารย์คือในวิสุทธิมรรคถือว่าอาณาปานสติเป็นกรรมฐานที่หนักจเจริญยากท่านถึงกับสำทับความสำคัญไว้ว่าอาณาปานสติเป็นยอดในประเภทกรรมฐานเป็นภูมินสิการของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพุทธบุตรชนิดมหาบุรุษเท่านั้นไม่ใช่การนิดหน่อย ไม่ใช่การที่สัตว์เล็กน้อยจะซ่องเสพได้ถ้ามีละที่มีเสียงอื้ออึงก็บำเพ็ญได้ยากเพราะเสียงเป็น่าศึกแห่งฌานและในการมนสิกานต่อๆไปก็จะต้องใช้สติปัญญาที่กล้าแข็งด้วยท่านอางพุทธพจน์จากมัชิมานิกายอุปริปันธาสมาสนับสนุนว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวอนาปนสติ แก่คนที่มีสติเลื่อเลือนไรสติสัมปัตชัญญะอย่างไรก็ตามน่าสังเกตว่าในเมื่อท่านว่าอาณาปานาสติยิ่งใหญ่ทำยากอย่างนี้เหตุไฉนท่านจึงว่าเป็นกรรมฐานที่เหมาะแก่คนโมหะจริตด้วย